กาปฏิบัติหวังผลจะไม่ได้ผลการปฏิบัติสมาธินี่ถ้าหากว่าไม่หวังผลปฏิบัติอย่างไม่หวังผลแต่ต้องปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางไม่ต้องคิดหวังผลใดๆทั้งนั้นในขั้นแรกเรานึกว่าเราภาวนาเอาบุญมันจะเกิดผลอะไรหรือไม่เราไม่สำคัญถ้าปล่อยความรู้สึกเป็นอย่างนี้แล้ว การภาวนาจะก้าวหน้าได้เร็วพอนั่งปั๊บลงเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่ได้มันต้องทําถ้ามีหน้าที่บริกรรมยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็ยุบหนอพองหนออยู่นั่นแหละไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นอะไรทํานองนี้ไม่ต้องไปนึกหน้าที่ของเราภาวนาอย่างเดียว การภาวนาเนี่ยจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติให้มีพลังเข้มแข็งเป็นมหาสติเพื่อทําจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเท่านั้นเรื่องอิทธิฤทธิ์หรือรู้เห็นอะไรต่างๆเป็นผลพลอยได้การรู้ทาเห็นทมก็คือเห็นความจริงของจิตเราเองเช่นอย่างสมมุติว่าเราปล่อยให้จิตของเราคิดไปคิดไปปรุงไป เราตามรู้ไปตามรู้ไปตามรู้ไปบางที่เราเกิดมาเราอาจจะหัวดือ้อหัวรั้นกับอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราพอมันไปนึกถึงตรงนั้นถ้าจิตมันยอมรับหรือรู้จริงแล้วมันจะนึกขึ้นมาว่าอ้อสิ่งนี้เจ้าเคยทำผิดต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้วต่อไปเจ้าอย่าทำอีกอันนี้คือการรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริง